เพราะวัดป่าเป็นวัดมกรรมฐานเราจะไปติดติดให้แขงโลกแข็งสงสารของก็ไม่ใช่เรื่องนะเราเป็นอยู่ด้วยศรัทธาไม่ใช่ดูดูแบบจะโวดอ้างโออารู้หลาไม่ใช่อันนั้นคิดผิดจะแล้วควรที่คิดใหม่ควรอยู่แบบ ป, ปอนปอนอยู่ด้วยความจำเป็นจะใช้สิ่งไหนที่ที่เป็นวัดสดุหรือว่า วัดถูกที่รู้หลาโออ่านะต้องคิดให้ดีซะก่อนอยังค่อยทาทำไปเพื่ออะไรทำไมอันนี้เราต้องคิดน ะ, ะช่วยกันคิดถ้ามันอยู่ในฐานะที่ควรจะเป็นอื่นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งทางาาว่าเราทำอะไรไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะเพราะวัดของเราเป็นวัดสาธารณะผู้คนที่มาเกี่ยวข้องเป็นสาธารณะเหมือนกันมีหลายระดับระดับ มันสูงระดับต่าระดับกลางอะระดับควา ม, มฟุ่งเฟือยมีระดับความขี้เหนียวมีมันมีหลายระดับอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราจะทำสิ่งไหนเราต้องเป็นกลางกลางเอาไว้นะมัชจุมาะจะให้มันเกินไปสุดโตอย่าให้มันให้หมูลำบากจนเกินไปแล้วก็จะให้หมูมฟุ่มเฟือยจนเกินไปอันนี้ผมได้คิดมาอยู่เสมออ่เหมือนเราูทั้งโลกเมือ่อเขาหมวก เราเป็นกระวาดเรามีความสุขยังไงไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะหรูหล้าโออามันก็ไม่ถกูกให้พอประมาณแต่มาอยู่ในพุทธศาสนาอัตคัดขัดแค้นเกินไปมันก็ไม่ถกูกหรูหล้าโออาเกินไปก็ไม่ถกูกให้เขาว่าให้เดินสายกลางกลางให้คิดก่อนทำคิดถึงเขาถึงเราซะก่อนค่อยทำคิดถึงโลกซะก่อนคิดถึงธรรมจะก่อนค่อยทาไม่ใช่ว่าคิด อยากจะทําอะไรก็ทําตามอำเภอใจทําตามมัธยายใจไม่ใช่นะวัดวาสานาไม่ใช่ของเราคนเดียวนะเราคิดไปอย่างนั้นถึงหลวงพ่อตายไปแล้วหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเป็นกลองหลวงพ่อเพราะฉะนั้นขณะที่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็รู้จักประมาณในหลวงพ่อเหมือนกันรู้จักประมาณในผมเหมือนกันผมจะทําอะไรจะถ้าไม่ทําให้ใ ห, หรูหราโอ้อาวงั้นทําอะไรต้องมองมอ ง, มองครูบาอาจารย์มองหลวงปู่หลวงตา ที่ท่านเคยสอนมาแต่ควรเก่าต้องมองท่านเดีวก่อนท่านมีจุดประสงค์อย่างไรท่านมีจุดประสงค์อะไรเหมาะสมไหมถูกต้องไหมควรไหมที่จะทำอย่างนี้อันนี้ต้องมองมองคำพูดของท่านที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนมานั่นแหละแต่ที่เราทำอะไรก็ไม่ไม่เกินไปถึงฝ่ายปฏิบัติมาเราก็ รับได้จะฝ่ายปริยัตมาทั้งฝ่ายคณะศัทธายาติโยมาเราก็ชี้แจงได้สรุปแล้วก็คือให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ของพวกเรานะช่วยๆกันคิดนะแล้วก็คณะที่ผมไม่อยู่ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนานะมันเงียบนะแต่ผมไม่อยู่ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องหรอกไม่มีการวุ่นวายแต่ข้อสาคัญอย่าพวกท่านทั้งหลายอย่าวุ่นวายกันเอง ไม่ใช่เด็กหัวท่อคอมปั้นขี่รถผ่านวัดทั้งวันที่เป็นหัวหน้านอย่าไปคิดทําอย่างนั้นนะไม่ได้นะเป็นบาปเป็นกล้ำนะองค์ที่ท่านภาวนาทั้งอกทั้งใจภาวนามีอยู่อไม่เช่ว่าจะให้เด็กขี่รถเสียงสนั่นวันไหวรบ ก, กวนหมู่พกเพื่อนถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าผมมาให้บอกนะถ้าหมูไม่สบายแล้ว่าขัดข้อเรื่องอะไรให้บอกผมมาโอ้ยลุงพ่ อ, อไม่อยู่นะี เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะหลวงพ่อนะบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะพิจารณาสรุปแล้วก็คือความเป็นธรรมนะั่นแหะเวลาผมไม่อยู่หรือผมอยู่ก็ให้เหมือนเก่าอผมเคยพูดให้หมู่ฟังอยู่เสมอว่าผมไม่อยู่จับไฟร้อนไหมผมไม่อยู่จับไฟร้อนไหมถ้าผมอยู่จับไฟร้อนไหมถ้ามันจับไฟร้อนทั้งสองอย่างผมอยู่หรือไม่อยู่พวกท่านทําบาปกรรมก็เป็นบาปกรรมอย่างเก่า ถ้าพวกท่านทําความดีก็เป็นความดีอย่างเกา่าพวกท่านทําให้ดีไม่ถูกต้องมันไม่ไม่ถูกต้องอย่างเกา่าเพราะเหตุไรพกกรรมที่กระทํานั้น่ะมันเหมือนเกา่าถึงผมหรือไม่อยู่มันเหมือนเกา่าเหมือนกระจับไฟอย่างนั้นนะเพราะนั้นท่านท่านหลายอย่าไปลืมตัวอย่าไปผยองพองตัวอหลวงพ่อยังอยู่นะไม่ต้องกลัวหรอกยมมาโทษนะ่เตะมันเลยวางนั้นนะ <c oughs> ทํำมาเลยกรรมชัว่ว หลวงพ่อไม่ใช่จะคุ้มกันมันหลวงพ่อยิ่งกลัวกับสูญเจ้าอีกต่างหากที่กรรมชั่วนะ่ยพราะพระเทเจ้าท่านบอกไว้แล้วกรรมชั่วจะทําทเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกองคนะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นผมเป็นห่วงเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันเวลาผมไม่อยู่แต่ละครั้งในพะุทธกฏนี่แหละได้สั่งได้เสียเอาไว้ ทั้งผู้น้อยทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยก็เหมือนกันจะประยองพองตัวไม่ถูกน ะ, อ, ะอวดอ้างวางเขาก็ไม่ถูกเหมือนกันให้รู้จักสถานะของตนเองเราเป็นพระผู้น้อยควรจะทำตนอย่างไรเราเป็นพระผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจะใช้อำนาจว า, าสนาซีโป้งซีเบ่งก็ไม่ถูกก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยให้เหมือนกับเราอยู่ในอำนาจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างผมเหมือนกันนะผมเห็นพวกน้องๆที่เข้าไปบ้านตากเหมือนกันผมไม่ได้ใช้อำนาจวาทนาผมไม่ได้ใช้แบบเสียงเด็ดขาดเฉียบขาดพรยะอะไรเพราะพ่อของเรายังอยู่คือหลวงตายังอยู่ต้องเราต้องเคารพสุดๆเราจะพูดยังไงเราก็ต้องมองพ่อซะกอ่อนยังค่อยพูดกับพวกน้องๆที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าแต่บางน้องบางองค์ก็แสดงอากับกิริยาแบบแข็งหรือแบบ ไม่เต็มใจเราก็ต้องอดทนนะในฐานะที่เราเป็นพี่เราต้องอดทนใจเย็นๆไว้ก่อนแต่เมื่อควรที่จะพูดแล้วอันนั้นควรจะพูดด้วยหลักเหตุผลใช่ไหแต่บัดนี้เราต้องดูผมพลังอยู่ใต้บรารมีของพ่ออยู่นี่ก็เหมือนกันพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมพวกท่านทั้งหลายจะคิดจะทำอะไร กับพวกน้องๆที่อยู่ด้วยกันพวกน้องๆูเหมือนกันต้องคิดต่อพี่ๆก็ต้องคิดอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ให้มีความเมตตาเข้าไปตั้งกายกรรมว่าจีกรรมมโนกรรมคือเข้าไปตั้งใจด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งกายกรรมคือการกระทำทางกายด้วยจิตเมตตา เข้าไปพูดด้วยใช้วาจาพูดมันด้วยจิตเมตตาถ้ามีเมตตาเป็นหลักอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วถึงจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสหธรร ม, มิกก็รับเมตตากันได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะพวกเราต่างคนก็ต่างแหวกว่ายน้ำเพื่อจะไปหาจุดหมายปลายทางเดี๋ยวนี้พวกเรายังว่ายน้ํากันอยู่อืจะมาทะเลาะกันใน กลางแม่น้ํามันไม่ถูกทั้งนั้นแหละ เ, เรากําลังว่ายน้ําที่มันไหลเชี่ยวกรากด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันไหลยอย่างแรงน้ํากิเลสตันหามานะทิฐิ เ, เราพยายามจะฝ่าฟันน้ําำว่ายน้ําไปถึงไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะมาคอมเมนกันในกลางแม่น้ํำน่ะมันไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีเมตตาต่อกันอืม ต้องเกื้อกูลหนุนกัน ใ, ใครอ่อนเพียยังไงก็พยุงกันกลางแม่นะ้ํามีเมตตาต่อกันเพื่อจะให้พวกเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนั้นแหละคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องมีเมตตาต่อกันต้องเกื้อกูลหนุนกันมันจึงจะถูกนะถ้าทําพวกเรามีอะไรไม่เต็มขยงของแข็งไม่เต็ ใช้อารมณ์ต่อกัน่ะอมันไม่ถูกใช้ตอานาจวาชนาวาชนาขี่มาอะไรมันมีอะไรอยู่ในเราฮต้องดูตัวของเราสิเรามีอํานาจวาชนาขนาดนั้นเลยแต่ันาดผมผมอยู่ที่ไหนผมก็ไม่เคยคิดว่ามีอํานาจวาชนะพอทําที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งไหนใดก็ทําำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทําไปช่วยเหลือกันไปถึงจุดจบก็คือจุดจบเท่านั้น ถึงค่าวตายก็คือตายเรามีเท่าไหร่เราได้อะไรเราได้ขนาดไหนก็ได้ขนาดนั้น่ะนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองหน้าที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจอยู่ที่ไหนอย่าลืมตัวอยู่ที่ไหนอย่าพยองพองตัวอย่าอยู่ที่ไหนอย่าอวดอ้างวางเขาอย่าอยู่ที่ไหนอย่าอวดอ้างบารมีว่างั้นเะอ บารมีขี่ม้าอะไรมันมีหรอกบารมีมีแต่บารมีกิเลสเั้านั้นต้องบารมีธรรมถ้ามีบารมีธรรมเลยร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทางนั้นถ้ามีบารมีธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมจริยะธรรมศีลธรรมถ้าอยู่ในจิตในใจแล้วต่างคนต่างมีแล้วนั้นร่มเย็นเป็นสุขอถ้ากิเลสธรรมโลภธรรมโกรธธรรมหลงธรรม อันนั้นมีแต่แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะขอให้หมู่พวกเปือนทุกองหน้าตอกตังใจภาวนาขณะที่ผมไม่อยู่นะตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกขิ น, น